ของที่นี้ก็คือพระโยมจีต้องพิจารณาอาหารก่อนแต่ถ้าไม่มีโยมจีพระก็ว่าเองทั้งหมดและที่มากไปกว่านั้นก็คือจะต้องพูดทุกวันถ้ามีคนมีแขกมาจีห้าคนแต่่วนมากก็ไม่ค่อยขาด ก็เลยต้องพูดกันทุกวันพระธรรมะนี่ต้องพูดกันทุกวันค่อยๆซึมซับเข้าไปเองต่อไปนี่คือตำเหนียมของที่นี้แล้วที่นี้พอเราพิจารณานั้นพิจารณาต้องดูในบาตรดูในบาตรแต่พระสมัยโบราณ กันจะคลุกอาหารข้าด้วยกันปลาก็เอาก้างมันติ้งไปขยะเอาติ้งไปปากอะไรก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปคลุกอาหารในบาตรคลุกอาหารแล้วก็ฉันกับมือลองดูดิลองดูฉันทกับมือเปิบเลยนี่แล้วก็มีน้ำ ล้างมือสำหรับชุบมือนะสักถ้วยหนึ่งถ้าไปในประเทศศรีลังกานี่วันวิสาขาบูชาคนจะเที่ยวกันแต่ไม่ใช่เที่ยวนสนุกสนานไปไหว้พระเจดีนั้นไปวัดที่มีพระธาตุของพระพุทธเจ้าอะไรอย่างนี้ปอยกันเป็นครอบครัวเลยก้างทางเป็นระยะระยะ เขาจะมีร้านอาหารไม่ได้ขายถึงเวลาก็เลี้ยงเลยก็จะทำโต๊ะทำโต๊ะยาวๆมายาวๆจะมีจานมีน้ำใส่ขันแต่ก็โยนก็ต้องระวงังน้ำในขันก็ไว้ล้างมือไม่ใช่ว้ดื่มที่นี่ก็ก็ เอาข้าวมาตักตักตักตักตักตักตักเอาแกงมาใส่ชวนมากก็เป็นแกงกะทิแกงก็ใส่ใส่ใส่ใส่จส่ก็กินกันไปเงียบไม่มีทีนี้พวกมาที่หลังก็ก้าวคิวอีกก็ข้าคิวพอพวกนี้เอ็มเอ็มแล้วก็ลุกขึ้นไปไปมือล้างมือนะก็เราก็มีน้าล้างแล้ว นีน้าล้างแล้วก็จุบลงไปในนั้นเนี่ยนี่ทำเนียมของสมัยโบราณก็ยังรักษาก่อนโอายพระบางรูปเกี่้านปฏิบัติเคร่งครัดนั่นก็ใส่ในบาตรผักก็ใส่ในบาตรของหวานก็ใส่ในบาตรแกงก็ใส่ในบาตรแล้วก็คลุกครุกคลุกคลุกุกมดอะไรเป็นอะไรนั่นคลุกมันหมดนี่นก็จัดอาหารโดยการระมัดระวัง ไม่ให้ข้าวไปยินดีไม่ให้ข้าวไปยินร้ายถ้าข้าไปยินดีนนดจัดการเลยถ้าไยินร้ายจัดการเลยทำยังไงพอรู้จักว่าอร่อยอเกิดทนานก็เตรียมพร้อมไว้แล้วมีใบไม้อยู่ถาสมมติเถืนฉันสามสิบคำใบไม้ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ววางวางวางวางไว้รอบตัวเลยก็รู้จักว่าอร่อย กายเอาใบไม้มาติงแล้ก็กายอาหารใน่นไทรนั้ใบไม้วางวางวางวางจนครบจํานวนที่ตัวเองฉันประจําวันพอครบจํานวนเสร็จแล้วก็กลับหลังหันทํำยังไงนี่ความอร่อยว่างเกิดดับว่างความไม่อร่อยเกิดดับว่าง มันอร่อยที่ตรงไหนน้ำย่อยที่มันออกจากกระเพาะออกมาทางลิ้นรอรู้สึกสัมผัสแล้วมันอร่อยความอร่อยเกิดดับไม่มีอะไรเลยไม่ยึดมั่นถือมัน่นความไม่อร่อยเกิดดับไม่ยึดมันถือมัน่นทานก็เลยเอาอาหารนั้นแหะมาฉันต่อทีนี้อะไรนี่นี่คือการปฏิบัติธรรม ในเรื่องการฉันอาหารก็ทํากันอย่างนั้นทําครั้งเดียวมันก็จะได้รู้ที่นี่หลวงพ่อเนี่ยหองพ่อเกิดเออพระพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์จะได้เป็นพระพุทธเจ้าไปฉนอาหารของนางสุชาดาใต้ต้นไทรริมฝั่งแม่น้าเนรัญจราพระองค์ฉันอาหารกี่คำสามสิบสองคำ นี่ในตำราว่าอย่างนั้นหลายสิบปีเกือบห้าสิบปีมาแล้วหลวงพ่อก็เลยต้องนับคำอาหารบอกเท่านี่พระพุทธเจ้าพระองค์ก่นับคำอาหารแล้วก่อนที่จะพระองค์ตรงฉันมากในมือนั้นมื้อสุดท้ายแห่งความเป็นคารวะพอจัอาหารนางสุจาดาเสร็จแล้วก็นั่นนหะพระองค์ก็ก้าไปฝังโน้น ไปหาสถานที่หมอหมอก็ได้ใต้ต้นโพนั่นแหละก็ได้ใต้ต้นโพหมอหมอกวาดกว่ า, วานิดหน่อยนายโสติยะมาพอดีนายโสติยะคือคนเกี่ยวญ้าคาเห็นว่านี่นักบวชก็ให้ถาวายญ้าคาไปเจ็ดกรรมเจ็ดกรรมทีนี้พระองค์ยาคานั่นมัน มาเลี่ยเรีย่ยเรียเร่ยก็ทำเป็นที่นั่งเสร็จแล้วพระองค์ก็หันหน้าไปทางทิศ ต, ตะวันออกอธิษฐานจิตเนี่ยพระองค์อธิษฐานหลายครั้งนะอธิษฐานครั้งแรกก็คือตัดพระโมรีพอเลยโอ้ยคลี่ผมออกมาแล้วก็เอาประคันตัด แต่เขาบอกว่าในตำรา บ, บอกว่าพวกเทพจันพรมจันเทพเอาถาดทองมารับมันจะมากไปนั่นมันจะมากอยสาภาษาคนเนี่ยเทนี้เป็นยังไงพระองค์กอ็อธิษฐานจิตนั่นแหะคือการบวชของพระองค์บวชอธิษฐานจิตจะไม่กลับหลังอีกแล้วเทนี้เสร็จแล้วก็เรื่อง เครื่องทรงเป็ดเนินจินดาเลยหนูเขาก็จะมีชุดซับหน่อยหลือแต่ชุดซับหน่อยก็เป็ดเนินจินดาแล้ว ก, หหหกว็หอพ อ, อ, อกับเครือป้านะั่นแหละหอก้าด้วยกันบอกนายชนะนี่ช น, นะเธอเอาไปอถาวายสเสด็จพ่อ ว่าบอกว่านี่เราออกบวชแล้ว น, น, น า, ายจันนะกอโร้องหยมร้องไห้อยากจะไปด้วยบอกไม่ได้ไม่ได้เดี่ยวเท่านั้นงานนี้ไม่มีสอง น, น, น า, งายจันนะกอดร้องไห้มากันตะกะร้องไห้ทำยังไงทีนี้ก็ไปกลับกลับหลังนายจันนะก็คงไม่ได้ออกกลับไปหรอก เพราะว่าเป็นห่วงเป็นห่วงนักบวชจิตตัฏฐ์เร า, า, าไปแขวนไว้ตรงไหนก็ไม่รู้ที่ปางไม้เนี่แล้วมาก็ร้องให้หมดกำลังใจจักตายที่นั่นเลยนี่เห็นไหมความรักความรัก เราองค์ก็ตัดทิ้งไปหมดความรักก็เป็นทุกข์ความโกรธความเกลียดก็เป็นทุกข์มันมีแต่ทุกข์เท่านั้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นทีนี้พระชายาของพระองค์นะพอรู้ว่าบวชแล้วนางเองได้ข่าวว่าบวชแล้วก็ได้ข่าวว่า โปรง่งฉนอาหารเพียงมือเดียวอย่างนี้บวชแต่งตัวอย่างไงนางก็แต่งตัวแบบนักบวชสวยอาหารมือเดียวพอ ร, รู้กล่าวอย่างนั้นนี่อ่ะมันของจริงอันนี้มันของจริงหมดแต่ที่เขาเอามาแต่งมาแต้มเนี่ยส่วนมากก็สีมากเกินไปสีมากเกินไป ของจริงเป็นอย่างนั้นทีนี้พระองค์ก็แห็นไหมเนี่ยลำบากขนาดไหนเพื่อใครเนี่ยลาบากเพื่อใครเนี่ยก็เพื่อพวกเราทุกคนเนี่คืออยากหาธรรมะที่เป็นอมตะธรรมะที่ไม่ตายธรรมะที่ไม่ตายไอ้ที่เราอยู่ในชีวิตมันมีแต่ความตายทางนั้นพดัะนั้นในเรื่องนี้ ที่พระองค์เสวยอาหารครั้งจุดท้ายอของนางปุจาดานะ่ก็คือสามสิบสองคำฉะนั้นเราก็ควรที่จะนับอาหารทุกมือ้อเวลาจะบริโภคอาหารจันอาหารที่นี่พระองค์ค้นพบพระนิพพานคือจิตที่ว่างจากตัวมันเองมันไม่มีตัวตน นั่นคือความว่างนะว่างจากความยึดมั่นเติมมั่นทั้งหมดอันนี่ลูกของฉันนั่นสามีของฉันภรรยาของฉันทรัพย์สมบัติของฉันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ทั้งนั้นเพราะสิ่งเหล่านี้มันเลือนหายไปมันเกิดขึ้นแล้วมันก็หายไปทีนี้เราก็ดูในปัจจุบันดูในบาทของเราเนี่ยฉันไปปรางอะไรไปปราง นับคำอาหารไปปรางกันไปนับไปนัดกันไปนับไปนับแต่ว่าคาถาที่จะต้องท่องนะคือว่างว่างว่างวงวงว่าที่หนึ่งว่างว่างว่างวางวางแล้วก็กลืนเข้าไปว่างยังไงว่างจากความยึดมั่นถือมั่นว่าอร่อยอ้าวก็ว่างไม่อร่อย ก็ว่างก็จักแต่ว่าธาตุว่างที่สรุปมันเป็นธาตุว่างอาหารนี้ได้มาจากไหนไม่ใช่ได้มาจากบ้านโยมอ น, นาปัสาคนอาหารนี้ได้มาจากพืชตามธรรมชาติได้มาจากสัตว์ตามธรรมชาติแล้วสัตว์นั้นเมื่อก่อนมันเป็นยังไงยังไงยังไงตอนนี้มันเป็นยังไงตอนต่อไปมันเป็นยังไง ว่างนั่นแหะคือว่างให้นั้นโอ้ไม่มีอะไรทีนี้เราก็ทำจิตได้มันว่างว่างจากความยึดมั่นถือมั่นให้ว่างจากความยึดมั่นถือมันผลไม้มันก็ว่างปากมันก็ว่างปลามันก็ว่างเนื้อมันก็ว่างอะไรแล้วมันก็ว่างดังนั้นแต่ถ้าเราทำจิตได้มันว่างจากความยึดมั่นถือมันเราก็จะเห็นโอ้นี่ธาตุ ตามธรรมชาติเป็นธาตุว่างถ้าเราอยู่กับธาตุว่างเรากินกับธาตุว่างนอนกับธาตุว่างเราก็จะรู้จักธาตุที่ว่างจากตัวตนใช่เราก็จะไม่เป็นทุกข์ตายก็ไม่เป็นทุกข์เจ็บก็ไม่เป็นทุกข์แก่ก็ไม่เป็นทุกข์เป็นหนุ่มเป็นสาวก็ไม่เป็นทุกข์ไม่ต้องไปใส่ขนตาปลอมไม่ต้องไปทำจมูกโด่ง ไม่ต้องทำค้างเมัเนญานยานไม่ต้องทำแก้มนตป่งป่งนี่เพราะมันเป็นของว่างดังนั้นทั้งเนื้อทั้งตัวเราไม่ยึดมั่นถือมันแล้วตกลงว่างที่เราภาวนาภาวนาภาวนามันจะลงไปอยู่ที่จิตคือความรู้สึกตัวนั้นเปลี่ยนจิตที่ยึดมั่นถือมันเป็นจิตที่ไม่ยึดมั่นถือมัน่นคือจิตว่างนั่นแหละ ว่างจากความยึดมั่นถือมั่นนี connais, God, mm. own, ่ทีนี้เราไม่เห็นดิเพราะเราไม่ปฏิบัติต่อเนื่องกันมันก็จะไม่เห็นนี่เสร็จแล้วถ้าเราปฏิบัติอยู่กับความว่างกินกับความว่างอาบกับความว่างตายกับความว่างอยู่กับวาว่างเกิดอยู่กับจิตว่างจากความยึดมั่นถือมั่นเราก็ยังกินยังอยู่ยังใช้อยู่อย่างนั้นแต่ว่ามันไม่ใช่ของจริงจิตเองก็ว่าง สิงที่เข้ามาหาเราที่เราเอานำมาใชา้นำมากินนำมาถูมาทามาทาที่อยู่ที่อาจจะล้นวนแต่ว่างทั้งนั้นเลยนี่มันเห็นต้นต้นโตมันต้นเดิมแล้วเห็นตรงกลางมันแล้วก็เห็นที่สุดของมันดังนั้นเรามองลงไปในบาตรมันมาอย่างไงมันอยู่อย่างไงมันเป็นยงงอย่างไงโอ้ห่าง นี่ค oui, er like? ือสัจเดวะธาตว่างธาตว่างธาตว่างธาตว่างยะถาปัจจะยังนั่นแหละคือธาตว่างประวัตธรรมนังตาตุมัตเมเวทังสิ่งเหล่านี้นี่ที่อยู่ในบาศน์สิ่งเหล่านี้นี่เป็นจัจเดวะธาตตามธรรมชาติเทตานั้นเป็นข้าวเป็นปลาเป็นของหวานของข้าวกล้วยเกลือะไรสัจเดวะธาตตามธรรมชาติเทตานั้น กำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิดอ้าวเมื่อก่อนเป็นอะไรเป็นปักบุ้งเ ป, ปเป็นปลาเป็นพริกเป็นมะนาวเป็นอะไรอ้าวเอามาแกงเอามาผัดเผัดเสร็จแล้วก็เอามาทานเอามากินเอามาฉันเอาไปเกียวเกลวเกลียวเกลยวเกลีว ก, ว, ก ว, กวกับไปอ้าวขอดูโอ๊อันนี้มันรากหมาหรือรากแมวก็ไม่รู้แล้วก็กินกลับก็ไปนี่พิจรารณาเองมันเห็น ตามความเป็นจริงรู้จักอร่อยใส่เข้าไปเหมือนเดิมคำที่ว่าอร่อยนั่นแหละใส่เข้าไปเ่ยมันกลืนลงไม่ลงก็ตามใจมันจางมันนี่อ่ะมันก็จะเห็นความไม่เที่ยงเห็นสิ่งทั้งปวงเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนี่อะที่เรียกว่าเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิด เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เหนืองนมันไม่ได้หยุดนิ่งเหมือน <c oughs> เป็นเครื่องจักรของธรรมชาติเราหมายใจก็ไม่หยุดนิ่งอาหารเองอยู่ข้างนอกก็ไม่หยุดนิ่งใส่ก้าวไปอยู่ในท้องในลาไส้แล้วก็ไม่หยุดนิ่งตายออกไปแล้วก็ไม่หยุดนิ่งไม่มีอะไรหยุดนิ่งสักอย่างแต่ว่าไอ้จิตโง่เนี่ยมันมีตัวตนพอจิตโงน่นี่มันข้าไปยึดมันถึงมันตัวมันเองว่ามันมีตัวตน มันก็เห็นทุกอย่างเป็นตัวตนหมดเสียหายเนี่ยเสียหายเพราะประจานนั้นจึงเกิดพระพุทธเจ้าขึ้นมาเพราะพระองค์รู้สิ่งนี้โอ้ทุกอย่างไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนทั้งนั้นแต่อจิตโง่มันว่ามีตัวตนเพระนั้นเราต้องจัดการอจิตโง่ตัวนี้ให้มันออกไปเสียพ่ามันออกไปเสียคือไม่เข้าไปยึดมั่นนั่นเอง พอจิ mm. ตโ ง, ง, ง, ง, ง, ง, ง, ง, ง, ง่นี่ออกไปจิตฉลาดก็เข้าไปแทนนั่นแหละคือจิตว่างจิตฉลาาดจิตที่ประกอบด้วยสติปัญญานี่ยนั่นแหละคือจิตว่างจิตที่ฉลาดจิตที่เต็มไปด้วยสติปัญญาก็เลยเห็นทุกอย่างนี่โยมชีนี่ตอนนี้ยังเป็นคนหนุ่มคนสาวกลางคนต่อไปก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นจบนี่จบ หลวงพ่อเองก็จบไม่อะไรจริงมั่งอรัไม่มีจริงเลยคูดจากเม็ดหนึ่งก็ไม่ใช่ของจริงผมจากเส้นหนึ่งก็ไม่ใช่ของจริงมันเลื่อยปอยแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ย น, ย น, ยนแต่ว่าเราขาดปัดจจัยที่ขาดคือปัญญาเพาเราต้องปฏิบัติธรรมให้เห็นปัญญาให้จิตประกอบด้วยปัญญาแล้วมันก็ไล่ความทุกข์ออกหมด นี่มันอยู่ที่ตรงนี้เต่าข อ, ขอจบอาวายเปลี่ยนเท้านี้่อยว่ากันใหม่